เราจะต้องเที่ยไปเที่ยวทไปเที่ยวไปเที่ยไปทิ้งไ ป, ไปนี่คือหน้าที่ของเขาถ้าจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เเรยว่าฐานะของความเป็นยะกามทีนี้เราจะอยาทุกคนที่เราิัติเราจะนถึงแล้วก็นำใจดวง หนูว่าเป็นเราจริงๆเนี่ยเข้ามามาแล้วเขากโกรธเขาต้องรีบออไปช่วยเรเจอเหตุการณ์อุบัตเิเหตุทางใจกลางอากาศเาร้อช่วยทันทีเขารักมากเลยจนกายกลายเป็นหนุ่มลดคุณภาพเรานั้นออกจากใจเมื่อนิจฉนั้นคุณภาพ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 ไม่ไดเดี๋ยวนี้อะไรที่ไม่มีแกัญชาที่เต็มไปด้วยปฏิกูลสูงโปก่งเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญจุดหนึ่งที่จะทําให้จิตใจอันเนี้ยเป็นอริยะไปได้ถ้าเป็นรถยนตนก็รถตัวเดียวที่ขาดไม่ได้าขาดก็วิ่งไม่ได้ดนี่ความสําคัญขอก่อนที่ เขาจับขามไปเผาทิ้งพอเขามาสาร้างแกนสันให้จิตกับจิตใจเสียสร้างให้เขาจิตใจยกกันอริยะบุตรเสียบบถึงเอาไปเผานี่คือประโยชน์ของกายประโยชน์อของจิตรัะสาตรทางปฏิบัตถถิตัวทางรักษาต่างต่ า, ภางสันสองสอผู้จิตจ เช้าเย็นเห็นสติปัญญาถ้าเขาถุจิตใจจิตใจตัวนี้จะเป็น อันนี้ไม่ใช่ของการเจ้าพนและก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้จริงที่เที่ยงที่ยุติเป็นคน่างวไม่เคยเสื่อมไม่เคยตกอู่ใตสมโพนิจจังถ้ากเข้าไปจิงๆถึงใช้ารนัอโลกของความจริงไม่ได้เจนไม่ถูกไม่ได้เจือไ เราจะทำยังไจรักษาใจให้ดีรักษาใจให้สุขางเราไม่มีโอกาสแค่ร่ากายอันนี้ดูด้วยเท่ากันถ้าร่างกายอันนี้หมดอายุหายหนุนเราจะได้คิดเลยว่าเราจะปฏิบัติทไปได้เวลาเหลือยู่นิดเดียว อยู่ไม่ตทีนี้กาปรปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็แบ่งระบบขอตควตามเป็นสัออกเป็นสองส่านที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่อยากไปพระนคนคือทานศีลธรรมะถ้าเขาอยู่ในระบบสามอย่างนี้เขาก็จะต้องเที่ยวอยู่ในพวกที่ ไม่คีเหตมีคำว่าร้องได้อั น, นั้นถึงจะเป็นชั่วนี่งรังเป็นจักรวาลชั่วนินรันดหมดก ง, งดูตรงนั้นที่มีเอกนี้แต่เอาเป็นคำพูดไม่ได้เลย แต่ที่นี่ถ้าเรารักษาิธีรักษาที่ถต้องที่จะต้องสู่พุทธานทีจิตใจให้ใสสะอาดการที่จะมาทจิตใจให้ใสสะอาดเป็นรอยาราะนั้นนี่คือหนึ่งจิตใจที่ปล่อยให้เขเจ็บอารมณ์อยู่ข้งกเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นทต้องการส้งและก็อานือความดี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 ว่าที่จะเข้าไปควบคุมคือสติต้อมี ต, ตัวนตน ต, ต้อมีเสียงต้มีสีต้องมีเสยเนกันสติสติคือความระดุบสัมปัตคือควนมตัวนี้ถ้าได้ถึงจริงสติบายไม่ถูมสติสติตัวเนี้ย อยู่กับเรานะเน่อนจากห้องนตงหนีา ท, าน ท, ทันีเลเราลอยอยู่คนอากาพอเราจใช้เขาสักหนอเขาก็มาแลา้วมาทำงานปุ๊บุ๊บสรจทัคหนีับสติตัวเนี้ยพระกรรมฐานนี้ผมให้ดุสิติตัวนี้ออกมาควกคุมความคิดควบคุมความคิดสติตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเสติตัวนี้ สมมติว่าอาจะมาถามโยมท่านว่าทุกท่านเข้าโรงเรียนชั้นอสอยู่ที่จังหวัดไหนขสอะไรจะเลือกของสตินะใช่ไหมจะเลือกของสตรีสตรีก็จะเลือกที่จร็เือ แต่ทีนี้นะระสุภะเอามาควบคุมควบคุณเอามาพวกคุมเลือดอยเรื่อยๆเรื่อยๆ่ยมังไงผมมีลังขึ้นสะมพลังขึพลังขึ้ความวกคุมจากการเราเข้าขีดสขดเีเสุดท้ายมไม่ออกเมื่อ ที่ตไม่มี้ติทตกิไม่มีสิทธิจาคิดวตััวน้เป็นสิางที่ระยะที่ควบคุมกันดึงไปดึงมาอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าเขาสกสมพลังถ้ากำานดได้เป็นหนึ่งได้ึ่ชั่วโมงเอาหนึ่งชั่วโมงนั้นกลายเป็นปลพลงังพลตงที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 ไม่จำการคุเพราะเข้าโรงเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งนะเขาจะทนลุชาติไปรู้ทันทีเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ชาติที่แล้วมเป็นอะไรอยู่สกิลจะนี้ไม่ใช่ธรราเจะจอยากรู้ไหมก่อนจะมานั่งอยู่นี้เป็นอะไรมาก่อนโ อ, อยอยารู้เลย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 ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งจะหยิบยกขึ้นมาทั้งๆที่เราก็รู้อยู่ไม่ต้องพูดเสียวเวลาเสียเวลาสู้การกำหนดจิใจไม่ได้ไม่ต้องพูดนี่คือเะไรวะทำสมาธิโนอเนี่ยพูดๆเมื่อจนเตือไปนุ่ายุ้งเสียเวลาเสียโอกาสเสียทุกอย่างนี่ไม่ดีนินทาเขาต้องตุ้บหัวเอา เสียไปอีกทีนี้ิสมาธิไหนสมาธิไหนคือควบคุมควบคุมไม่ให้เขาออกมาโดยเด็ดขาดถ้าไม่ใช่เรื่องที่จะคิดไม่ต้องให้ออกมาควบคุมมใชว่ามันให้ิด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 จะช่วยร้วยแหลกไปเลยนันต้องทำเรื่องพวกติดส่วนใดส่วนหนึ่นองของความเป็นศาสนาไม่เหมืนข า, าจะหลมามะเรื่องในหลามผ่าใจกลางของความเป็นาศาสนาด้วยกัน ภาสนีาเป็นของทัานสมัยอยู่เสมอใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีคำว่าล้านสมัยพอเข้าใจไหมถ้ามีคำว่าล้านสมัยเราจะไปคิดเราจะไปทัดถึงสิ่งที่จะเปัญหาธรรมะของตัเองไม่ได้นะ Thank you.